บทภาชณีตีกัปาจิตตีที่รับภิกษุสําคัญว่าเป็นที่รับนั่งสองต่อสองต้องอบัตติปาจิตตีที่รับภิกษุไม่แน่ใจนั่งสองต่อสองต้องอบัตติปาจิตตีที่รับภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ที่รับนั่งสองต่อสองต้องอบัตติปาจิตตีทุกทุกกฏไม่ใช่ที่รับภิกษุสําคัญว่าเป็นที่รับนั่งสองต่อสองต้องอบัติทุกทกฏ ไม่ใช่ที่รับภิกษุไม่แน่ใจนั่งสองต่อสองต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ที่รับภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ที่รับไม่ต้องอบัต